อ่าช่วงนี้เขาเป็นช้าได้หนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนได้อะไรบ้างเสียอะไรบ้า ง, งเดือนที่ผ่านมาได้อะไรได้ปัญญามันเป็นตัวยังไงปัญญา ปัญญามันไม่เกิดง่ายๆถ้าปัญญามันเกิดมนุษย์อคงไม่เป็นอย่างนี้เรอกเป็นในสัตว์คงเป็นอย่างนี้ทุนี้เข้าช่วงเดินสิงหากันแล้วเป็นเดือนที่ถ้าจะบอกวเสียในที่ ปัจจุบันเป็นเดือนที่สุญเสียอววาจาร์ในเดือก็หลายรูปในเดือนนี้ในเดือนไม้หั ว, ว, หว่ตั้งแต่นูนตั้งแต่ยุคลงภู่มันมาถึงยุคเราตัเด็ดเป็นตน้นมาและวบุษิมเป็นตน้นจนสุดท้ายปายทางก็งูภูนิษฐ์ หลาย่ไล่ลายรูปที่อเราาเไปก็ตามไว้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบที่ต้องร่วงต้องหล่นเนาะเกิสินหาจะมีพระธรรมรูปหนึ่งที่เราควรจะกล่าวถึง กล้คนศึกษาปฏิปทาของท่านราวาวัดวาอารามที่เกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองก็เพราะพระองค์องค์นี้รูกบุญสมของเราก็องค์นี้เกิดพระองค์นี้ที่เป็นต้นเลยแม้กระทั่ง เด็กชายเทศเรี่ยวแรงก็พระ อ, องค์นี้พาไปบวชเด็กชายเทศเรี่ยวแรงคือใครก็คือหลวงปูเ่เทศเทศรงสีก็องค์นี้เมื่อคราวที่ไปเผยแผ่ศาสนาที่หนองคายก็พาเด็กชายเทศไปบวชด้วย การออกนี้จึงเป็นกำลังหลักในทางพระอิศานตุนต้นต้นที่รองจากหลงปู่มันดูเวทีเอาโสกว่าเช่นอลวปู่เ ม, มาหลูงปู่เสาอันนี้เอาโสกว่าแต่ถ้าเป็นลู้สิษ์ลวงปูมันที่ทันยุกทันสมัยก็คือองค์นี้จะเอาโสที่สุด แล้วก็อกนี้เป็นผู้ที่ไปเอาศพหลวงปู่เสาเข้ามาจากจำปาศักดิ์หลวงปู่เสาเรามรรภาวที่ประเทศลาวแล้วก็อกเนี่ยที่จัดงานให้หลวงปู่เสาเมืองอายุครบแปดสิบปีโดยแสดงวิถีทางสักตระซึ่งหลวงปู่เสาเราไม็มนช่อผ้าดังเทพ น้อยนิดบนเราไม่เห็นนักพูดพูดน้อยเทิดน้อยแม้แต่ใ น, นรู้ในว่างในบนไปพูดการก็ะพู่คสี่คำก็าบอกทุกสมไทัยนี้ลดมักแค่นี้ไม่ใช่นักเทศแต่เป็นนักธรรมนั้นพวกเราลองนึกถมงทุกวันเนี่ย ความแตกต่างระหวา่างนักเทศกับนักธรรมนักธรรมก็คือทำทำัทำ้งทมธรรมะและำรำสละอัาไอั น, นี่ยมันเยอะกันตอนนี้หนักไปทางนักเทศมากกว่าใครเทศเป็นเทศดังเทศปล่อยออกโซเชียลดังลาบจักกะระเกิดขึ้น อันนี้คือนักเทศที่ต่างอัสมัยก่อนนัก ร, รมคือนักปฏิบัติหลวงปู่ที่ขรานนำมาทั้งหมดซึ่งตัวอย่างนิดเดียวจริงๆเยอะก็คือหลวงปู่สิงห์กัณฑยาประมุ่งย่งเดือนี้เป็นเดื่อสินรานเราจะพูดถึงท่านในแง่มุมที่พูเราอาจจะยังไม่รู้จัก ท่านเป็นชาวบุญซึ่งปัจจุบันเป็นอำนาจเจริญมีพี่น้องทีห้าคนน้องชายก็บวชอยู่มันดาตายในกระไดท่านบวชพาะแล้วอันนณะที่อยู่น้องชายตัวเจรักวิหะจานทร์ส่วนใจแล้วไม่ทันได้อยู่กับพ่อแม่ โดยส่วนใหญ่ความพิดพลาดจากกันบั่งต้องหายแต่จากกันบั่งนั่นก็แปลว่าธรรมชาติขอสอนให้เห็นทุกข์อันนั่นคือธรรมะแล้วพ อ, อผูกพันมันก็จะน้อยลงรู้สิ่งเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นคนอุบลคนอำนาจเจริญเอว่ามาบริพาพที่วัดป่าสารวันโคราชซึ่งเป็นวัดแรกทีสร้างวัดที่สองเราพระบาสถานรวมก็อยู่โคราชวัดป่าสารวันพูกเราจะรู้จักดีกั น, นยกหลักคือหลวงปู่พุทธานิโย สมัยหลวงปู่สิงห์ิงยังไม่มีใครรู้จักต่างๆสมัยก่อนมันจะเป็นที่รวมของพระกรรมฐานารู้ศิษย์หลวงปู่มันแล้วท่านก็มองาภาพในวัยที่เจ็ดปีเอง7จสบเนต้นทางก็ไปแล้วเบย่โลก ท, ท่านสมัยมันปัจจุบันนี้แหละสมัยก่อนรักษาไม่ได้ก็คือมะเร็ง ส่วนน้องชายของท่านคุณพ่อมหาปินท่านก็พาไปเรียนที่ปทปมวัรเป็นข้าเลวยหนังสือแหล ก, แ, ลกแหลกกับว่าคะปฏิบัติจะจบปรเรียนทมห้าประโยชน์มาก่อนเป็นวิชายเป็นห่วงว่าเอาเรียนอย่างเดียวไม่ได้สนใจปฏิบัติก็ไปพามาเข้าป่า ตอนนะ่จะจดชอบสุดท้ายก็เป็นกำลังหลักแต่ท่านก็จากไปในวัยที่อายุไม่เยอะห้าสิบต้นต้ น, ตนเรื่องที่นาเสดานอนนี้ปฏิปทาขอหลวงปู่นี่นะคือออกนี้จะเป็นกำลังหลักของหลวงปู่มัน ส่นที่ลองลองลงมาไม่ต้องพูดถึงอเพระว่ารุ่นน้องขนาดลูกบุตรเทพเป็นเด็กชายเทศอยู่เลยคนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้ปู่ปู่ทั้หลาย ไ, ไม่ต้องพูดถึงก็พาเดินเดียนร้องไหไปที่อุโบลถก็ไปบวชที่อุบสที่อุบสถที่วัดวัดทั้งหลายแล้วคือจะน้ามือร้องท่านเป็นผู้ก่อทั้งสัวละครร้องคายอุดร การเซ็นทุวันเนี่ยก็เพาราะหลวงปู่ของเราหลวงปู่ของเราเป็นผู้ชำนาญทางปริยัติแล้วก็ปฏิบัติใครบอกภาป่าไม่เรียนหนังสือเนี่ยเขาจะติดอุปวัตตันแต่ะองคมโดยพระองค์ยืงขอละเอียดไม่เขอยูีในมีภาษาหนงที่แยกจากลงปุมั่นไปขอภาวนา เดี๋ตอนเย็นะเะี๋วเราลาเลียบคือเวลาหลวงปู่ก็ไปแก้ภาวนาต่างหากนะครับถ้าอายุบรรสายังไม่เยอะคือปลีตัวออกไปจำพรนษาต่างหากเพื่อพิจารณาเพื่อเร่งความเพียรตามที่ครบารย์านได้ให้คำแนะนำะกรรมฐานที่หลวงปู่มั่นแนะนำหลวงปู่ิิงก็คือ ที่เราสวดกันนี่แหละกับไตใสพงเนี่ยภาษาเราย่างไงเริ่มจหัวใจไตทางร่รรทัยังหัวใจตับไตประมาณนี้นจนถึงปอดห้าคำคืออัปภาสัง ก็คือปอดนั่นแหละแต่หห้บริกรรมมันภาบาลิบริชรรตัวเทียนกายแล้วเข้าใจตัดกัไปตอ่อเป็นเรื่องความเพียรในป่าองเดียวจนเข้าใจวินัยละเอียดเป็นนึกถึงคุณของพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าของเราเนะ่ะถือว่าเป็นอีพัชชาวธีคือเป็นพูดจำแนกแยกแยะ ทำแล้วก็วินัยอย่างละเอียดถ้าเป็นทำก็เรียกว่าธรรมะขัละเอียดก็เป็นวินยัยก็เป็นสติวินิจโยคือต้องมีสติเข้าไปเขียวค้อมถึงจะเป็นวินัยสมบูรณ์ถ้าเข้าใจหลักการนนี้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นพระในยุคก่อนๆเรื่องวินยัยถ้าเจะละเอียดมากไม่ใช่ละเอียดธรรมดา แต่ที่สาคัญคือของที่มันเจ็บยาบอย่างที่เราไม่ค่อยได้คิดเลยเป็นขอที่เริ่มต้นเช่นเรื่องกินเรื่องฉันสมัยก่อนถือว่าเป็นภราระน้อยภราระที่น้อยมากคือไม่ค่อยได้สนใจเรื่องกินมากนะัก นั่นก็แปลว่าถ้าก็กินคือกินอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อ ร, ร่างกายพ่ออยู่ได้กินให้ร่างกายมันอยู่ได้ซื้อผ้าเราเสวยใหม่เนี่ยอยากแค่กอไก่กไม่ผ่านแนละ้วแต่เป็นภาษาเราแค่กอไก่ตัวเดียวไม่ผ่านแนละ้วจรุ่นกิน ส่วเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับกอไก่ยิ่งหนักไปอีกเกิดอย่งนี้เราเข้าใจเรื่องการเกิดมหมคำว่าเข้าใจในตรืงนี้หมายถึงเห็นภัยนะเห็นภัยของการเกิดที่เราเกิดเกิดกันเกิดกันทุกวั น, นแต่รู้ไหมวันเป็นไย่รู้ไหมเป็นเริ่มต้น ก่อนโลกี้ของชีวิตนี้เป็นรูปต้นของชีวิตก็คือเกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดก็คือเกิดกับเราเช่นเกิดความคิดเกิด ค, คำพูดเกิดการกระทำอันนี้ก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันแต่ที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าสติไม่มีสติขาดสติสติน้อยไม่ค่อยได้ใช้สติ เพราะนั้นสามเรื่องที่หลวงปู่สิงห์คันตยาคำโมท่านเน้นก็คือเรื่องนี้ลนะเออปุูนเจ้าจัดเป็นข้างสุดท้ายคืออภิมาตธรรมป ร, ปรมารโตอมาตังประทานอันนี้คือเรื่องแรกก็คือมอุ่งปฏิสติเ่งแ้าเป็นภาษาเรายังไงก็ไม่ประหมายก็ ค, คนที่มีสติ เรื่องที่สองก็คืออันนี้โดยตรงเลยคือการเข้าไปตั้งสติให้มีสติในทุกเรื่องอันนี้เป็นภาษาไทยภาษาบาลีไมะยาวทอดภาษาไทยแล้วตัวสุดท้ายที่หลวงปู่ถ้ฝึกเป็นประจำแล้ก็สอนเป็นประจำก็คืยยอททให้เห็นจิตของตัวเอง คำว่เห็นแปลว่าอะไรเราต้องดูถึงจะเห็นเหมือนตาเนี่ยมีตาแต่ไม่ดูมันก็ไม่เห็นมีจิตเราไม่ไว้ให้ดูมันก็ไม่เห็นจิตถ้าเห็นสัญญาใ น, นการปฏิบัติตรงๆสูตรเ่าจิตเตืนไปดูความประมาทปราศจากสษษษติแล้วก็ไม่ได้เห็นจิตเห็นใจกับตัวเอง ปฏิบัติยังไงนั่งจะตูก ด, ด่านดิสีดวงแตกก็ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ครบองค์ประกอบนี้พเพราะนั่นลูกปูจนงย้ำสิ่งเหล่านี้ได้เป็นภาษาเราโดยสรุปอันนี้คือปฏิบัทาของลูกปูสิงคก์กัทยากรรมโมซุปน่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ตัวเป็นพี่ใหญ่แล้วกันใหญ่ไม่ใหญ่ไปอาจารย์ลูกปูเทศอาจารย์ลูกปูสิงค์เราเนะต้องขนาดไหน แล้วก็ปุ่มันไว้ใจองค์ก็มีอะไรก็จะเรียกฝ่ายปกครองก็ตั้งแต่สมเร็จลงมาคือให้ความไว้วางใจในการปุ่ยแผลนะนกครปกครองแสดงว่าท่านก็มีความรู้หรืองค์ความรู้เพราะฉะนั้นถ้าโดยเสืแล้วก็คือเรียงรายกันมาทั้งหมดเนี่ยรถ่ที่เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่ประสบความสำเร็จ เพ่อว่าช่อวันหลักการอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก่อไก่ยังไม่เริ่มต้นเลยข้อไก่ก็ไก่ก็งูจะไปยังไงถ้าเป็นเรื่อหนังสือก็บอกก่อไก่ยังเขียนไม่ได้ยังไม่รู้จะสะกดยังไงเขียนยังไงยังไม่ผ่าน ถาโมจะไปว่นวายเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องสารวัดติดกองพนเงนเตินทึกอย่นี้พอพูดถึงเรื่องกินอันนี้พูดภาษาเรายาวๆนะก็ไก่ก็คือกินหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดต่อถ้าเราคิดต่อไปเด็ดหนึ่งขอหาย ขอไข่ ค, คืออะไรกินแล้วก็ขี้แต่ว่าตอนขี้นั้ม่คิดเห็นไหมมันเรียงลําดับอย่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาของตัวนี้มมองเป็นโอเปราเอกโกมองให้นะเห็นรรออนรระให้มันเป็นธรรม ค, ร ค, ร ค, คือมองให้เป็นธรรมะมันเป็นธรรมะกอไก่ขอไข่กินแล้วก็ขี้ขอคขย อ, อันนี้แหะคือขน ถ้าไม่ฝึกมอนก็คือควายนี่แหละถ้าไม่ฝึกคือมีสธีมันก็คือควายาไายด้ดีนี่เองเอมมเมนไหมของปะเทศอะไรน่ะก็แก่แค่หัวควายอัวคนข็ราคาชื่อเสียงกิติศัพท์ความดังมันจะมาจากไหนก็เพราะอะไ ร, รเพราะว่างงงู้งงงง่้งมัน ง, ง่นง ที่มันโงเพราะอะไรจ้าอาจารย์มันไม่ผู้ อ, อ า, ารย์ช้อจริงไม่ฉลาดแล้วมันก็บอกกันแล้วว่างงงูกับชสิงจริะง ง, งงูมาก่อนนะมันโง่ที่จะฉลาดแปลเราทุกคนไงคนที่ฉลาดได้มันต้องโงอมาก่อนแต่ต้องฉลาดไม่นชะโง่ตลอดกาล มันเรีงลำดับอางนี้ถือว่าเราพิจารณาแต่และตัวแม้แต่เรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นอัดเป็นธรรมคุณสมมาเถี่ยวมสอนตัวเองได้ในทุกเรื่องถ้าเราอปรมใจโกรธน้องก็หาตัวเองไม่กี่ประโยคไม่กี่คำไม่กี่อาคาระซึ่งพ่อแม่ครูาอาจารย์มาอย่างปุมันเราสอนเรารูกบุอ่อนก็ไม่กี่อาคาระเองนะไม่ได้สอนเยอะ สามคำสามเรื่องลูกสิงย์ของเราก็เหมือนกันแต่ทำไมถึงได้ถิบได้ทีทำไมลูกศิลุกหาทั้งหมดลูกปู่ท่านไปไหนหมาเจอลูกผู้มันนะเดินตามตั้งแต่ภาคอีสานยันภาคเหนือเพื่อได้พบเพื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้น้ำคำของบาอาจารย์แต่ละตักกระเปรียญชนะ ทำวารีประโยคมันมีค่ามันมีความหมายถ้าเราเอาไปคิดแล้วก็เอาไปทำคือนักทำบรรณาจากป่าเราทุกคนเาเป็นเป็นนักทำบากคือนักปฏิบัตินั่งนี่ก็ใช้ยืนเดินนั่งไปเจอรอยตามพระแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ือวัดเราได้เป็นบัดที่เป็นวันพักเหนือวันตัวแบบวันตัวอย่างแล้วเราก็มีทุกอย่างนักจากรูปเร้อย่างที่เป็นกิจลักษณะคืออธิคานก็ให้เห็นกันอยู่สําหรับคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุญแจไปรับไอ้สองแห่งการปฏิบัตินั้นในขณะที่เราช่วงนี้ช่วงเข้าบรรษา อยากให้พวเราเข้มข้นนิดหนึ่งคือเพิ่มเพิ่มความเพียร น, นี้ถึ่งวันหลวงปู่นีภาษาเปลี่ยนเวทที่ ง, งานไปเยอะเปลีกเนไวออกจากหม่ผู้ใดคิดถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยอารมณ์มันจะกระลา ย, ยานพวกเราลองไปนั่งอยู่ในป่าที่ไหนก็ได้เราจะเที่ยวห้วยแก้วนี้นไหนก็ได้เมราอยู่คนเดียว และหลังจากนั้นสังเกต ด, ดูเกิดอะไรขึ้นต่อสู้ ข, ขังคาคิดของตัวเองถ้คคุมไม่ได้ก็เตลิดเปิดเปิงมันจะพุ่งพุ่งไปหาอาดีตพุ่งไปหาอนาคตแต่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันไม่ได้คิดเห็นหมัยนั่งประชมโยกัอปาเลอกถึงความเก่าความหลังความแก่ เกิดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็อนาคตทางที่พระเจ้าบอกว่าอาทิตยต่างนานากรรมยังอางจะมีเจ็บแล้วเป็นคนนับเฏิกังเกออนาคตั่างก็เป็คนไปคาไปหวังกำลังถึงอนาคตเพราะเรื่องเก่าเรื่องแก่เรื่องอดีตเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วเอื้นผ่านไปแล้วมันพ้นไปแล้ว ถ้าเป็นหนังคือจบแล้วเป็นหนังเป็นละครมันจบแล้วแต่เราก็จะมาดูเอามาใชา้บ่รีไม่เขื่อนนับปฏิกิริยาหน้ากาตังอนาคตถ้าเขาบอกไปถึงแปลว่ายังไม่มาถึงแต่ความหมายของมันก็คือเมื่อมันไม่ถึงก็แปลว่ามันมมีความแน่นอน แปลว่าถ้ า, ราเราคิดอยู่กับเรื่องของอนาคตเมื่อใดก็าตามแปลว่าจิตในขณะนั้นมันจะอยู่กับความไม่แน่นอนนั่นคืออนาคตหาความแน่นอนไม่ไปัจจุบันปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ขนาดนั้นเรี่อปัจจุบันทำไปวันนี้ ไม่ใช่วันวานไม่ใช่วันพรุ่งนี้ตรงนี้ที่พระเจ้าของเราเน้นพ่อแม่ขอบาอาจารย์เราก็เน้นแต่เวลาเรานั่งจริงๆอะนั่งคิดถึงอะไรก็ไม่รู้คือเราไม่เอาปัจจุบันคือไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะการภาวนาหรือการปฏิบัติคือต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ว่าเราคิดอะไรตอนความคิดของเรา เราคิดมันกลับไปอดีตหรือเปล่าเราคิดไปอยู่ที่อน า, าคตหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้เขากาไปรู้นะั่นคือไม่มีสติผมไม่มีสติเพราะความประมาวยปาก็ตามมาดูความปมา่วยปาร์ตามมาก็แปลว่าเราไม่เห็นจิตของตัวเองในขณะนั้นอาการจิตของเเป็นอย่างไรไม่รู้แต่พอนั่งเข้าไปพวกนี้เราจะเริ่มรู้าอาการของจิตละ จิตก่อนที่สงบเป็นยังไงขณะที่จะสงบเป็นยังไงสงบแล้วเป็นยังไงแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออาการของจิตที่แท้จริงที่มันปรุงมันแต่งมัน อ, อะไรมาปรุงเ อ, อะไรมาแต่งจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวแม้แต่จิตที่มันขนาดจะลงหรือกำลังจะเป็นสมาธิที่มันวูบวาบวูบวาบแล้วก็รู้ะ นั่นก็นคืออาการของจิตแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นอาการของจิตตรอเมื่อมันหยุดมันลงมันนิ่งเมื่อไหรเราจะเข้าใจเหมือนตอนนี้พุณเราเนี้ยครับกันหมดตนนแต่ถ้าคนตามพูคนละคํา้งคนนั้นละ่ะก็จะจะจะจะอะไปมาเรื่องนะี้ยก็สงบไม่มีจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันไปสงบมันไม่นิ่งก่อน มันก็ไปเห็นอาการของจิตอันนี้คือว่าคาว่าเห็นจิตคือดูจิตแล้วก็เห็นจิตของตัวเองอันนี้คือสาระที่ลูกโป่ปของพวกเราได้ใช้ในการปฏิบัติและพยาวได้บอกกล่าวโดยตัวท่านเองก็เป็นตน้นแบบเป็นตัวอย่าง ใครจะบอกวรูอาจารย์ไม่สร้งวัดสร้างวาเนี่ยก็เอาที่ไหนมาพูดก็ไม่รู้ครูอาจารย์ไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือเอาที่ไหนมาพูดก็ไม่รู้นานักเข้าบางคนเล่นถึงนูน่นเล่ถึงผููใหญ่หลวงปู่มั่นบอกว่าสายหลวงปู่มั่นนางสาวที่แบบเลือสีบากคนแรงถึงขนาดว่าเป็นเดียร์ถีไปเลย รวะมันเป็นเดีรทีเพราะว่าเวลานั่ง ส, สอนคนให้หลับตาบอกว่ามันเลื่มตาแต่แท้มันยังไม่เห็นยังไม่รู้เรื่องเลยหลับตาแล้วมันจะไปรู้เรื่องอะไรดูความคิดดูความปัญญาอ่อนของมันเลยแล้วพูดถึงแรงแล้วคุณธรรมระดับท่านตัวเองมีอะไรไปวิจารณ์ขนาดนั้น ไปยกโอสมัยฤาษีชีพายสบยก่อนหลับหลับหูห ล, ล, ล, ลับตาทั้งนั้นอันนี้คือคนที่เรียกว่า น, นักเทศกับนักธรรมต่างกันซึ่งมันก็เริ่มมีแล้วทุกวันนี้นแล้วก็คนส่วนใหญ่หมู่ใหญ่คนรุ่นใหม่ก็เริ่มแห่ไปเออพูดดีเขาทำแต่แต่อย่าลืมนะพู้ริจ้าเนี่ยตั้งแต่วันประกาศศาสนา วันเดือนสามมาฆะเนี่ยท่านอบอกแค่เจนว่าอนุปรวาโรอนุปรคาโตการเผยแพร่เนี่ยต้องไปเข้าไปพูดกระทบกระทั่งว่าร้ายเสียดสีคนอื่นเขาทุกที่อื่นเขาอันนี้ชัดเจนเป็นวิธีการที่ชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องพูดถึงอุดมการณ์ผู้จ้างเรามีอุดมการมีหลักการมีวิธีการ ก็อยากให้พวกเราไปดูว่าหลักการของพระเจ้าคืออะไรแล้วอุดมการของท่านคืออะไรแล้วก็วิธีการอะรกัรคืออะไรนี่คือสิ่งที่นักเทศคารสุดท้ายก็เอากิเลสตัวเองนำทีนี้คนที่มีความศรัทธาเป็นเบื้องต้นคล้อยตามจะเกิดอะไรขึ้นสะทมปฏิรูป แตาทำใจรูปเป้เพว่าอะไรเชื่ออาจารย์ไม่ได้เชื่อพุทธเจา้าไม่ได้เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระรอ ร, ะรอยอสงฆ์ความศรัทธาความงำ่ำจนน้ำมือเตม่มัวถ้าเป็นภาษาเร่าง่ายก็หรือพ่อหรือแม่พอแม่อุรอุช า, าอุรุมมาตั้งแต่เกิดเกิดได้กับพ่อพ่อแม่นะแต่เวลาพ่อแม่พูดเราไม่ฟัง เหมือนกันคนลูกๆใครก็ตามครอบ ค, ครัวไหนก็ตามพวกเราเกิดมีเป็นคนมาได้ก็กกเกิดได้ก็เพราะพ่อแม่นะเรียนรู้ปูเสือจึงเรียนจบมีทำงานทําจนจบจนกเกษียณแล้วเราเคยนึกถึงพ่อแม่บ้างไหว่าท่านหมดเงินทองกับพวกเราไปเท่าไหร่ย่าบอกเราเป็นล้าน ลราก็สมบดปากาขึ้นมาคำนวณดูที่ตั้งแต่โอเวะโอ้แวะขึ้นมาเนะี่ยข้าวเท่าไหร่ค่าปอาหารเท่าไหร่เสื้อผ้าอาพาร์เท่าไหร่ค่ารถค่าขนมวันนึงเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่จุดจบมาหาอะไรเนี่ยคุณก็หมดไปเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยน้อยนะและตอนนี้เงินที่เอาของท่านมานะ คืนบ้างหรือยังเดี๋ยวมีคนทวงอายุอีสิบปีขึ้นสามสิบเดี๋ยวมีคู่เดี๋ยวก็จะมีทวงหลอมีคนใช้คือลูกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนี่คือวงจรงัอย่างน้อยที่สุดก็คือเราที่เราปฏิบัติ ก็คือเอาโมรดกที่เรามีอยู่คือรูปร่างกายท่าสี่ขัห้าที่มีอยู่เนี่ยเอามาปฏิบัติขัดเก่ยให้มันเบาบางลงพบชาติที่มีอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันเบาบางลงให้มันโปร่งใสให้มันโปร่งใสให้พระแม่ของเราได้บุญบ้างมันถึงจะดีไม่ใช่เอามรดกที่มีอยู่นะเอาไปทําลายเสียหายหายจะนะ ถ้าบะยมุกมันคือความเจ็บหายเ่มันคืออบายอามบออบบอกที่ได้มาเนะ่ะเอาไปทําร้ายไปทําลายตัวเองก็มไม่ได้อะไรไปด้านการปฏิบัติตามของเราบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่ถ้าเราปฏิบัติถึงที่ในระดับใดระดับงแล้วพิจารณาตามความเป็นจรงิง เราจะเห็นของพวกนี้แล้วจิตใจเขาเป็นผู้อ่อนโยนยาเข้าใจรูปตัวจะพอไม่จนถึงคนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าคนของพระทางคุณของพระอริยสงฆ์เนี่ยอรยสงฆ์จิตใจมันก็จะอ่อนน้อมอย่างนั้นมันแข็งกระด้างใครพูใครฟังอะไรตักกระเตือนไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศกับวัย ผู้หญิงผู้ชายสมณพระเนนไม่เกี่ยวเป็นเหมือนกันหมดถ้าไม่ฝึกต่อเอาพระหลวงว่าผมสิบปียี่สิบปีเหมือนกันทาให้ฝึกก็จะไม่เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ไม่เห็นสิ่งเหลี้เมื่อไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่เห็น่งนี้แปลว่าคอไก่คุณยังไม่ผ่านเลยเอาแค่คไก่ก่อนนะเดี๋ยวพูดถึง เพราะว่าหลังจาก ก, ไกลลอไก่แล้วขอไข่ขี้วนะเรายังไม่ได้คิดเลยพอกินเข้าแล้วมาต้องขี้นะมันต้องออกนะแต่ว่าตอนออกเรามา่เคยคิดแต่ตอนจะเข้านะโอ้โหพิธีไปทันจังเลยมันอยากให้พวกเราเอาเนี่ยเวลาโดยเฉพาะอย่งยิ่งก่อนที่เอาเข้ปาปากใช้สติพิจารณาที่หนึ่งอะไรที่เป็นคุณอะไรที่เป็นโทษ อะไรจะเป็นโทษขยับเข้าไปเยอะอันนี้เป็นคุณก็อ่าพอประมาณพอให้มันอยู่ได้มันไม่ตายาอันนี้คือพุทธเจ้าแล้วโพชเนมัดต่จต่างคือกินพอประมาณแต่ถ้าเท่าดูแล้วมาพูดมาเป็นห้าปี10สิบปีก็มันก็ไม่มีอะไรขยับขยายเลยนีย่สนุกสนานการกินมือเดียวไปพอสองมือ ถามว่าอาจารย์บางคนอดบัชแค่อดแค่วันสองวันอดเป็นอาทิตย์อดเป็นเดือนอดดูที่ว่ามันอยู่ได้ยังไงมันอยู่ได้ไหมมันจะเห็นความทุกข์ชัดขนาดไหนนี่คือครูบาอาจารย์พีประเทศเราเนี่ยลดลดลอดอาหาร จะเข้าเตีมบาดเข้าเหนียวหลายป้นสองป้านสามป้านสี่ปจนผ่อนพ่อนผ่อนผอนอาหารจนเลินนับเป็นคำถือสมมติ ว, วันนี้จะกินหกคำข้าวเหนียวเนาะกัวคำนิำดหน่อยไม่ถ้าคำโตนิด้ว่อยครับปะ้แล้วอื่นอื่นอีกต้องขอนด้วยกุ้งหอยปูปลาน้ำเข้าไปมันพอดีมันไม่ได้เยอะเลยนะถ้าบอกทําไม เสียวเวลาเสียเลาการปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์แค่กินอันนี้กินปนุปะนะันธก็บอกเสียวเวลาแต่การพิจารณาอาัตติยธรรมนี่คือยุคเกา่ายุคเราเป็นไงยี่สี่ชั่วโมงสิบสองชั่วโมงในแต่ละวันเห็นจับอะไรบ้างที่เป็นกิจวัตรก็วัดโดยเฉพาะคือกิจวัตรข้อวัดนี่ โบราณอาจารย์บุรพาอาจารย์ของเราเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ขัดเรากิเลส ท, ทุกคนจะต้องมีกิตวัดข้าวัดต้องทำพร้อมกันปั ด, วดกวาดโถศาลาจัดเสนาสนะอาสนะดูแลกบะอาจารย์นี่เป็นเรื่องปกติเลยในสมัยยุคเราอย่างผู้มั่นหรือยุคหลวงปู่แหวนกับพวกเราเนี่ตื่นที่สองเพื่อมาจัดศาลาจัดน้ําจัดกระถนจัดที่นั่ง น้ำกาก็คือต้องปิดปากเอาไว้แกว้วต้องความเอาไว้กระตอต้องความเอาไว้ไม่ย่งการทำเกีกก่อเราะที่สองกว่าเราเอาอยูยทุกวันี้เป็นยังไงหกโมงมันยังไม่ตื่นเออมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมก็แข่ไม่ผ่านเลยขอไข่หนักกว่าเก่าเอะมันก็เต็มไปด้ยวยขี้ ขี้เียจขี้คานสารพัดขี้เลยกินขี้ขึ้นสมองแล้วตอนนี้มันมีแต่ขี้แล้วไม่ออกแล้วก็ไม่อออไ ม, มีมันก็จะต่อไปคืององูจ้าจานจอจริงก็คืองอไปเรืยความสติปัญญามันก็จะลดน้อยถอยลง ต, งตง่ําลงต่ําลงกินน้อยก็ไม่เห็นหัวครูบาอาจารย์หนักเลยเพิ่ยกระดับเทียบเท่า มีใครสูงมีใครตำ่ำอันตรายนะจิตเป็นอย่างนั้นหนักเลยนะเรฝากพวกเราทุกคนเข้าพรรษาก า, ารนี้นึกถึงกว่าอาจารย์เยอะตั้งแต่บรุรพาาจารย์โอ้ไนก็ได้ปฏิปทาน้ำทำค า, าสอนของท่านแต่ละองมาโอปนัจโกห์น้อม ป, ปฏิบัติขัดเกา่าตัวเองเลยพอหลวงปู่ซิมหลวงปู่ทุกอินเรานันบอก กินนอนตนบอกฝึกได้พอนได้พาเราทํากำเมื่อเดียวบ้างในเสดิจต่างพะบ้างสวดมนต์เตือนที่สามสมัยก่อนที่สามตื่นแล้นะก็เพราะว่าลุงพุทธิสิมก็ได้คิดว่ากขาันมาจากเขาว่าอาจารย์มาท่านจะจํามาจากไหนพุทธิสิมเราเคยอยู่วัดบรมด้วยว่าตัววัดเป็ัต้นแบบท่านก็ไปฝึกทุกอย่างสวดมนต์ไหวพระทานองไม่แต่กัดเทศ ท่านก็ไปฝึกไม่ใช่อยู่ก็เป็นแล้วก็เอามาเผยแพร่เอามาแสดงจี้แจง่แสดงเป็นหลักซึ่งน้อยน้อยวัดที่จะลูกห ว, วัดแต่วัดต่เช้าทํำกิกก่วัว่าน้อยน้อยมาพระป่าสมันี้ยิ่พูดดาวพูดตึงเลยก็เรียกตัว เ, เองเป็นป่าเรียกได้เต็มปากเต็มคําว่าเป็นพระป่ า, ปาอยากใส่วงเล็บนิดนึงเถื่อน พรปะปาเถือนมันก็มีแต่พระเยาวทั้งหมดใหญ่เปแล้วันนั้นถ้าเราเคารพรักเทิดทูนปฏิบัติธรรมพ่อแม่กับอาจารย์อย่าลริมทำตามด้วยแต่รักพ่อแม่ชื่อฟังพ่อแม่อย่าลริมทำตามไม่ใช่รักแค่ปาอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญรา น, นภาษาการนี้ก็อยากให้พวกเราได้จริงจัง อยางนีเสีทีไม่งั้นมันก็จะไม่มีการเริ่มต้นมันจะมีกาก่อแก่อย่างนี้ทีเราจะเริ่มก่อแก่ตอนไหน ก, ก่อเก่ดกับอนุบาลเราจะเริ่มเมื่อไหร่อนุบาลยังไม่ผ่านจะปฐมมัธยมอุดมเมื่อไหร่ไปต่อไม่ได้ฝากพวกเราทุกคนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในประสาการนี้คิดว่าเราได้ยินได้ฟงเราคงจะโอวันโโนี้กน้อม ก็หาตัวเองจะได้ประโยชน์ท่านนี้ก็เพื่อประโยชน์และความสุขของพวกเราทั้งหลายขอเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขตามอัตภาพสี่สำคัญคือต้องเจริญคือพัฒนาการพัฒนาตัวเองนะครับต้องพัฒนาทุกวันถ้าวันนั้นไม่พัฒนาก็มันก็มีความเจริญวันนั้นอยู่ทั้งโลกก็ให้เจริญเจริญทางโลก อยู่ทางธรรมก็จเจริญทางธรรมพาไปได้จเจริญได้ทั้งสองทางเป็นเรื่องที่ดีคืออยู่ทางโลกก็จเจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็จเจริญแบบทางธรรมขอเรทาทงาหลายได้เปนความสุขก็จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด